เราต้องไม่สร้างพันธะผูกพันตัวเราและหมู่คณะของเรากับใครเป็นที่เศษเรากาลังทำงานเพื่อหลวงตาไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นพอแจกต้นพะ ป, ป่าที่นั่นเสร็จในวันที่สองพวกผมก็กลับเราต้องไปช่วยที่อื่นที่อื่นต่อพูดถึงเรื่องการแจกต้นพะ ป, ป่าแป๊บเจ้าของบางกอกอคิดก็ไปแจกกับผม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 ตอนไปแกก็อุ้มหมาไปด้วยตัวหนึ่งแล้วลูกน้องก็กางร่มให้ถือต้นพระป่าไปแจกได้สามบ้านพอโดนเขาไล่ออกมาพี่แป๊บกลับเลยนี่แหละมันยากอย่างนี้ไม่ใช่คิดจะทำแล้วจะทำกันได้ง่ายๆ